พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ 3. มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าสะสมสิ่งดีก่อนถึงจุดจบ วันนี้เป็นวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2559ก่อนอื่นหลวงพ่อจะปารบพูดอะไรให้ลูกหลานฟังคือในช่วงนี้หลวงพ่อเองก็ได้ยินเรื่องราวเพราะมันเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างไม่ใช่บ้างแหละามากทีเดียวคือหลวงตาจัน วัดเสือจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อหลวงพ่อมั่นใจทหาว่าหลวงตายั ง, งทรงธาตุขันอยู่หลวงตาคงจะออกมาพูดทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นหลวงตาจุตินิรพานไปแล้วก็ มีเรื่องราวเกิดขึ้นหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรอกอยู่ห่างแต่เรื่องราวเป็นยังไงแต่ก็หลวงพ่อทราบข่าวที่ส่งข่าวเขาส่งข่าวมาให้ได้รับรู้รับทราบเพราะว่าเมื่อไปอินโดนีเซียมกี้นี่ก็ได้ไปพบท่านรองประธานมูลนิธิแล้วก็เจ้าของหลวงตาจันที่เป็น เจ้าของเรื่องก็ได้ถามไทยนิดหน่อยเพราะไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกันยาวนานท่านก็ว่ากําลังเดินเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะนั้นมาวันนี้ก็ทราบข่าวว่ามีผู้ที่เกี่ยวขอ้องพูดอยู่ผู้รักษากฎหมายเข้าไปเอาเสือของท่านออกมาหลายชดหลวงพ่อได้ยินแล้วก็รู้สึกว่า ไม่สบายใจเพราะว่าท่านรักษาเสือของท่านมาตั้งแต่เสือตัวแรกที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เขามาเลขขายที่ท่านก็เล่ า, ลาให้ฟังจนถึงเป็นเป็นกลุ่มใหญ่เสือร้อยกว่าตัวอย่างทุกวันนี้หลวงตาท่านเองท่านก็ไปเยี่ยมเยียนไม่รู้กี่ครั้งตรงตามหาบัวถ้ามันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจะได้ยา ร, รม หลวงตามหาบัวท่านเป็นผู้มีธรรมอยู่ในใจอยู่แล้วท่านคงจะห้ามปรามแต่นี่ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านมีแต่ส่งเสริมดูน่าสงสารมันท่านก็เลี้ยงดูอย่างดีอยู่เหมือนกับมันในวัดของท่านหลวงตาท่านก็ไปดูไม่รู้กี่ครั้งเรากับพวกเราก็ได้เห็นไม่ใช่หลวงพ่อพูดเล่นๆทุกคน ที่เป็นจิตญาณุสิทธิ์ขององค์หลวงตาที่ไปสวนแสงธรรม ท, ทีไรท่านก็ไปเยี่ยมวัดเสือทุกครั้งท่านก็ให้ความเมตตาแต่มาถึงจุดนี้ว่าเขาว่ามันผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้ามันผิดมันก็น่าไปน่าจะผิดเดี๋ยวนี้คือคนทำให้ผิดหรือมันผิดจริงๆถ้าคนทำให้ผิดแต่ทำให้ถูกไม่ได้เหรอผู้ใหญ่ในบ้านเมือง หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพเป็นสิทธิ์ยาวนิสิ์ขององค์หลวงตาท่านหนึ่งก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องชัดเจนแต่ก็ได้ยินข่าวก็ไม่สบายใจเพราะนั้นขอฝากถ้าผู้ใดใกล้หลุงตูนะนายกของเราเนายกของเราท่าว่าผู้อยู่ใกล้ของท่านท่านก็มีภาระมากละเกินแต่ก็น่าเห็นใจท่านแต่ถึงยังไงกม ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นขอให้ท่านถึงถึงจะไม่ท่านไปรูลงดูเองก็ให้เหลือเปลือกตามองชั่เลิงชัง่เลืองตาดูบ้างว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็ขอฝากท่านมีชัยรัุพันธ์ที่ถือกฎหมายบ้านเมืองมันผิดจริงๆเหรือในเรื่องนี้นะแล้วก็ฝากท่านวิศณุเครืองามด้วยว่ามันเป็นยังไงกฎหมาย กฎกติกาจุดนี้หรือท่านบาวรศักอุวันโนที่ทูจักลุกหลวงพ่อไกลๆเหมือนกันนะที่ท่านเคยมาวัดหลวงพ่อแล้วก็ท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลวงพ่อขอฝากไว้กับพวกท่านทั้งหลายให้ช่วยกันดูบ้างมันผิดจริงๆเหรอผิดจนไม่มีที่ไม่มีวิธีการแก้ไขขนาดนั้นเชียวเหรอ หรือว่าทําไมจึงมาผิดในช่วงนี้คนที่ทําไม่ผิดนั่นคือใครทําไมจึงผิดมากมายถึงขนาดนั้นทามันผิดทําไมไม่เตือนกันแต่ทีแรกเลียเ้ยงเสือว่าเป็นถึงร้อยร้อยตัวทําไมจึงมาผิดในขณะนี้หลวงพ่ออยากจะถาม อ, าอยากจะถามาท่านผู้ที่เกี่ยวข้องอทั้งหมดขนาดนักโทษประหารนักโทษประหาร เขายังหาคุณงามความดีในนักโทษนั้นว่ามีอะไรบ้างที่จะพอรอโทษให้ไม่ประหารให้ดำรงอยู่ได้จำคุกจำคุกตลอดชีวิตนะหลวงพ่อว่านะหรือว่ามันผิดจริงๆ จ, จะยึดเสือไปทั้งหมดทั้งร้อยกว่าตัวอย่างนั้นเชี่ยเลเออสิ่งเหล่านี้ก็ขอผู้ใดยอยู่ใกล้ท่านผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ย หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระอินทร์นนะหลวงพ่อเป็นพระอินทร์นนะออขอฝากไว้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไว้ในแผ่นดินหรือหากว่าไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหมด เ, เชี่ยวเหลือมองไม่เห็นคุณงามความดีของออของท่านเชี่ยวเหลือแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเป็นธรรม ท่านจึงไปให้ความเมตตาไปไม่รู้กี่ครั้งกี่เที่ยวตอนตั้งเชื่อว่าวัดหลวงตามหาบัวก็เป็นที่รู้กันเพราะฉนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะขอหลวงพ่อขอฝากไว้กับผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจของทุกท่านถ้ามันหมดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทุกคนแล้วก็เออเอาหลวงพ่อก็ไม่ว่ากันนะพอโลกหลวงพ่อก็พร้อมที่จะปล่อยวาง โลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะหลวงพ่อก็ปล่อยวางได้นะแต่ถ้าว่าพอที่จะมีเงื่อนที่จะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ได้โยหลวงพ่อก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ระบุนามหรือบุญระบุชื่อมานี่แนะหะหรือผู้เกี่ยวข้ อ, ของทั้งหมดนะั่นแหละค่อยๆให้ดูๆให้ความเป็นธรรมให้ความอนุเคราะห์ให้ความเมตตากับชุมชนกลุ่มนั้นด้วย เอ้กลุ่มที่หลวงตาจันนี่ด้วยนะลงพอขอฝากไว้นะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สามพวกเราจะได้บวชนาคแล้วันนี้นะเออบวชนาคสององค์บวชพระสององค์ไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อฉันจังหาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเตรียมตัวบวชนะคณะสัตยาธิโยมโลูกหลานแล้วก็พร้อมกันวันที่ห้านะเออเราจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีที่ มูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอย่างทุกปีที่ผ่านมาแล้วนะเราไปทอดเพื่อหาทุนให้ดูแลพระสงฆ์อาพาธคำว่าพระสงฆ์อาพาธคำนี้เราไมา่ได้เน้นส ง, สงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสงทั่วประเทศสงทั่วโลกที่มาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ า, าว่ากองทุนของเราใหญ่ขึ้นนะ เราก็คงจะดูแลให้ทั่วถึงดีกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้เราก่อนใช้ด้วความระมัดระวังอยู่เพราะกองทุนของเราก็ไม่กว้างขวางแต่ถึงยังไงก็ก่อนที่จะใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องเล็กซะก่อนอย่างนี้ลหละให้ช่วยๆกันดูปีหนึ่งก็มีการทอดภาาป่าสามักขีครั้งหนึ่งปีที่แล้วก็ได้มากอยู่นะได้เงินห -6 ล้านแต่ใช้ไปก็ประมาณเกือบสี่ล้านนะแต่ละปี เพราะนั้นเกิดขาอะไรตัวมิอะไรด้วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่หลวงพ่อเองก็ภาคภูมิใจในภาคภูมิใจอย่างไรคือเวลาเดี๋ยวนี้พระมหาเถระในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระครูบาอาจารย์พระอยู่ในป่าดวงพงภัยถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะดูแลรักษาอยู่ในวัดก็ เครื่องไม้เครื่องมือการดูแลก็ไม่เพียงพอ่อพอท่านเจ็บใครได้ป่วยก็ส่งเข้าโรงพยาบาลไม่รูส่งไปที่ไหนก็ส่งไปที่นี่ศรีนครินแห่งนี้ทั้งแพทย์ทั้งหมอท่านก็เป็นคนลุกสิทธิลุกห า, เ, าเคยศึกษาปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ท่านก็รู้เรื่องของพระกรรมฐานดีอีกอทุกคนท่านก็ให้ความ รักษาพยาบาลครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธาจริงๆหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็เป็นที่พอใจลูกชิ์ลูกหาหรือครูบาอาจารย์ที่เข้าไปรักษาออกมาแล้วก็พูดเสียงเดียวกันว่าได้รับความอบอุน่นจากหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินท์หลวงพ่อได้ยินแล้วก็ภูมิใจสบายใจว่าอืมที่จัด ที่รักษาที่สร้างตึกสงอาพาธขึ้นมานีก็มีประโยชน์ต่อคณะสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญสำหรับพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายเพราะนั้นวันที่5นะมิถุนาเนี่ยจะมีการทอดผ้าป่าหาทุนสมทบเข้าไปอกีกเพื่อจะได้ดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าดูก่อน สงฆ์ทงหลายผู้ใดก็ตามดูแลอุปถัมภะถาภพะภพิกษุไข้ดูแลพระภิกษุไข่ถ้าหาว่าผู้ใดอยากปฏิบัติเราก็ให้ดูแลพระภิกษุผู้พระภิกษุดูแลปฏิบัติพระภิกษุไข่คือพระพระองค์ตรัสว่านะถ้าผู้ใดอยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไข่ผู้สงสินสงธรรม เหมือนปฏิบัติพระพุทธเจ้าเหมือนก็นได้ประบริบัติพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านได้บุญมากเมื่อรพอระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเราก็พุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธเจ้าของตรัสไม่เป็นสองหนึ่งไม่เป็นสองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอนาาาุตตร์ทายาทโยมทุกๆคน วันที่ห้ารวมๆกันทอดผ้าป่าเพื่อทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลในคราวนี้ครั้งนี้และก็พร้อมกันพวกเราทุกๆท่านเกิดมาในพื้นแผ่น ด, ดินไทยโลกเกิดมาในโลกในคราวนี้ครั้งนี้พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งฐานทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้เพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเอ ยืนนานไปสักเท่าไหร่พวกเราไม่มีใครคาดการประมาณการหรือประเมินการได้แต่ถึงยังไงก็เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตต้องมีจุดจบแต่ถึงยังไงถึงจะถึงจะไปถึงจุดจบจุดนั้นพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเอาไว้ในหลักของพุทธศาสนาพวกงค์บอกว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอน อยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญไม่มีการไม่มิดไม่มีอย่างอื่นนอกจากนั่งภาวนานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมา พ, พุทธเจ้าตรัสรู้ในโครนต้นโพเมื่อพระองค์นั่งกัสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง ระลึกชาติโขนหลังได้อออันนี้คือพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะพวกใด จ, จะมาพูดมากลา่าวยังไงก็พูดไปเถอะศึกษาไปเถอะพระพุทธเจ้าระลึกชาติโขนหลังได้ในตอนหัวค่านั่นในเมื่อร ะ, ะลึกชาติโขนหลังได้พวกเราถ้าไม่โง่เกินไปเราก็ต้องคิดได้ว่าเ อ, อเราเกิดมาวันนี้วันเดียวจะระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้ยังไงฮเมื่อระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้ก็แสดงว่าเมื่อวานไม้มี เราผ่านเมื่อวานมาแล้วนะ่ผ่านเดือนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนมาแล้วเนะี่ยแต่ว่ายาณรัศนะของพระพุทธเจ้าละเอียดทีท้วนจนนึกข้ามพบข้ามชาติไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่ชั้นสกี่แสนชาติเพราะท่านสังสมบรรมีมาเพราะนั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้าวา่าตายแล้วต้องเกิดอีกถ้าพวกเราอยากจะรู้เน่ทีนี้ มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเลยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามาหาบัวหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นท่านภาวนาอยู่ในป่าดงพงไยหลวงพ่อเกิดมาใหญ่มาขนาดไหนไปศึกษาไม่รู้กี่องค์ในพระกรรมฐานเนี่ยไม่มีองค์ไหนโอ้ยสงสัยวะตายแล้วศูนย์ตายแล้วเกิดยังสงสัยวะไม่เคยมีองค์ไหนเลย หลวงพ่อพูดอย่างนั้นมีแต่พูดอย่างเดียวตายแล้วเกิดเกิดอีกแน่นอนเพราะสิ่งให้เกิดนั่นคือใจไม่ใช่กายนะกายนี้ตายแน่นอนแต่ใจนั้นต้องเกิดแน่นอนดูผู้รู้คือนามธรรมตัวนั้นละ่ะตัวนึกคิดตัวนั้นละ่ะตัวนั้นละ่ะจะพาไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องใจตรงนั้นะ่ะจะพาไปเกิดนี่แหละ ครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่ท่านในภาวนานะอ่ท่านจะพูดอย่างนั้นแต่ได้ยินนะได้ยินหลวงตามหาบัวท่านพูดว่ามีพระเถระผู้ใหญ่ในกรุงเทพอท่านบอกว่าไม่แน่ใจมรรคผลนิพพานหมดแล้วในยุคนี้สมัยนี้เอแต่หลวงตามหาบัวโอทำไมพูดได้อย่างไงสมัยนั้กินข้าวอิม่มสมัยนี้กินข้าวไม่อิม่มอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น สมัยจับไฟสมัยร้อนนั้นร้อนจับไฟสมัยนี้ไม่ร้อนก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่อันนี้ก็คือกรรมฐานคู่บาอาจารย์ที่ท่านใดพิสูจน์ดูแล้วยุคนั้นสมัยนี้ถ้าหาว่าประพฤติปฏิบัติได้ทําดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วยุคนั้นทําชั่วก็ชั่วทําดีก็ดียุคนี้ก็เหมือนกันทําดีก็ดีทําชั่วก็ชั่วไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันแปรผันไปอย่างอื่นนะ พนักข่อยพวกเราคณะสัตยาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกคนหน้าอยู่นสถานที่ใดให้ประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำรู้ไม่ดีรู้ไม่ชั่วอถ้าไม่รู้ดีไม่รู้ชัวร์เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอต่อกันเอกเพราะไม่ไม่รู้ดีรู้ชั่วนะถ้ารู้ดีรู้ชั่วแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้อง อันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเอก็น่าจะรู้ออันไหนควรจะให้อภัยอันไหนควรจะอัอจัดการเด็ดขาดเออันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเอถ้าพวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจแล้วก็หลวงพ่อคิดว่าควรจะแยกแยะออกน ะ, ะถ้าว่ามีแต่มืดมนอนตกากันมีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะ โลภโกรดหลงอยู่ในจิตใจมืดมนอนทการมันจะมองไม่เห็นคุณงามความดีมองเห็นแต่กิเลสของความโลภความโกรธความหลงมีแต่อยากอยากอยากอแต่อยากนั้นมันผิดศีลผิดธรรมหรือไม่มันถูกต้องไม่ถูกต้องหรือไม่มันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมหรือไม่ออันนี้ไม่ไม่มีใครรู้เพราะอาวิชชาคือตัวมืดบอดอยู่ในจิตใจแล้วมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับ พวกทุกท่านอ่าทุกๆคนในอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอขอให้ช่วยๆกันดูทุกอย่างที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมธนาให้พรในทันในะลูกหลานนะ